เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องแขกยามของโรงแรมว <Games> โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่ง แขกยามที่เฝ้าประตูโรงแรมอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันของโรงแรมแห่งนี้ได้ทำงานมานานนับสิบปีแล้วจนได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้รับเดือนละเจ0 0บาทเลยทีเดียวแต่วันหนึ่งเจ้าแขกยามก็ไปหาเจ้าของโรงแรมเพื่อขอลาออกเจ้าของโรงแรมถามว่าอ้าวทำไมจึงขอลาออกเล่า หรือบางไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าเงินเดือนมากกว่าแขกยามตอบว่าอินนี้ผมจะไปทํางานใหม่ที่โรงแรมโน้นครับเจ้าของโรงแรมถามว่ามีบ้างไปทํางานที่โนนเขาให้เงินเดือนเท่าไหรล่ล่ะแขกยามตอบว่าเขาให้ผมเดือนละห้าพันบาทครับเจ้าของโรงแรมก็ถามว่าเอ แล้วโรงแรมของเราตอนนี้ให้บางเดือนละเท่าไรผมได้รับเดือนละเจ00พันบาทครับเจ้าของโรงแรมตกใจถามไปอีกว่าเอ๋ที่โน่นให้เงินเดือนก็ น, น้อยกว่าทำไมบางถึงไปทำที่โน่นเล่าก็ที่โน้นเขามีสายสะพายสวยดีครับกดดีมากกว่าที่นี้จะนาย เรื่องนี้สอนว่าบางครั้งเราก็หลงไปในยศในเกียรติในศักดิ์ศรีท่านละ่ะเคยยอมเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อแลกกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีรวมถึงความมีหน้ามีตาของตัวเองบ้างหรือไม่ทบทวนดู